more บราพุทไสัตว่านทานสรุสาในสัสอนองสมเด็จรสมาพพุทธเจ้าชาตินามาธเวลานี้จะเป็นสมาธิในธรรมานุันานก่อนที่มาบรรดาท่านพุทธไม่สัตว่านมีความนึกถึงทสในพุทธศาสนาที่จมาถามฤี นึกถ oh, I mean, e ึงเบญสุงบุตรใดลูกหนึ่งก็ดีนึกถึงเบญสุงท่านคณะก็ทราบอย่างนี้จะเกิดสังฆามนจะเปสมทานกวงความเวลานี้บรรดาที่พุทธบริัทจะเรินกรรมฐานหลายอนุสติที่กันมีอนใหญ่ใหญ่การจะเรนกรรมฐานบรรดาญาโยมพุทธบริสัทธ์กัหลายการตั้งใจแม้จะมีสมาธิด้วยน้อยเวลาสั้นๆั้แต่ความมีสมาธิขั้ดาทั้งพุทธบริสัท์วันนี้ ตั้งใจคิดว่าจะมาทบุญนั่นเป็สมาธิแล้วตั้งใจว่าจะมารับขินก็เป็นสมาธิอยู่แล้วตั้งใจจะมาฟังเทศก็เปสมาธิอยู่แล้วฉะนั้นเวลาก็บรรดาท่านพบริธยัดไม่น้อยเศรสมาธิอยู่มากและการทรงสมาธิขบรรดาท่านพุทโธยัดในอนุสติทัสาคือท้าวตาชาชาลุกปิติจะตั้งใจให้ทาน สีลาลุทธิตั้งใจรักงสายสิ่จะมากจะน้อยถึงวันก็ไม่เึงวันต่างแล้วก็พุทธารุติหรือเสีงพระพุทธรูปที่วัดเป็นพุทธารุติธรรมารุติหรือถึงการตั้งใจ ใจพระบรรดาเจ้าพระลูกสัตว์มีสมาธิสูงมากกว่านั้นอย่างน้อยที่สุดกำลังใจพระบรรดาเจ้า สทธ์ทั้งหลายที่มาทำบุญวันนี้นั้นนอกจากผลของทางการให้ก็ยังมีกำลังใหญ่สุดสมาธิเข้าสนับสนุนถ้ากำลังสมาธิพขะมัรนดาชนพุทธบริสัทธ์ดูกันอุปจาระสมาธิตามพระบาลีจะบอกว่าสวรรค์หกชั้นเลือกอยู่ได้ตามชอบใจจะเป็นชั้นไหนก็ได้ ถ้าก e so, ําล e um ังใจพระบรรดาในพุทธบริษัทเป็นชายต้เลือกกลมกันที่อยู่ได้ตามปัญญาสายมใความไฟเึงนกมได้ก็ยังขอยกตัวอย่างสมาธิเบาๆที่พระพุทบรรดาในพุทธบริษัทหลายในสมัยพระพุทธเจ้าทำกันคือว่าท่านทำดิการุมาสท่านทํำดิการุมาสที่เป็นคนนับถือพระพุทธศาสนามาก มีความเรพในพระพุทธชจามีาญญามาาาาความพระธรรมาบพระอนิสงส์เป็นอย่างยิ่งต่อมาภายหลังท่านทำดเก่ามาตกแต่ลงไปและการป่วยไข้มาสบายก็มันมเกิดขึ้นเวลานั้นถึงขั้นตายกันแน่ความตายจะเข้ามาถึง ในเมื่อการป่วยหนักเทศขึ้นมาท่านก็คิดรู้ว่าเราไม่มีโอกาสจะฟังเทศแต่อ ง, งค์สมเด็จตถาคามาหลมงพ่อใหญ่หลายวันแล้ว <c oughs> จึงให้บรรดาลูกหล า, น, หล า, น, น, านทัง้งหลายปฏิบุรพระจากสำนักทุองค์สมเด็จพระบรมที่เจ้าคือว่าไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่ขอที่มนพระไปสักเก้ า, าองค์ให้เบี่สดพระอรหับริต ทำบรรสดเอาไว้ก็คือ ส, สดมนเย็นตามที่บรรดาพระสวดสรรเประสูตรสุดมากบรรดาลูกหลานนั้นหลายเมื่อมีความต้องการอย่างนั้นก็ปฏิบนตรให้ขั้นปฏิมนพระมาแล้วเวลานั้นใครกดว่าท่าน ท, ที่ิกามาสง่งขันหนักที่ป่วยอยู่จิตนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้าง นึกถึงประธรรมคาสองสองก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างนึกถึงว่ามึกถึงพระสงฆ์บ้างนึกถึงทายการบริจาคบ้างนึกถึงเพื่อจิตฝังบ้างการกําลังของจิตไม่ใช่กานึกด่าเรียบร้อยไปทุกตลอดเวลาบางครั้งมันมีทุกเวทนามากกว่าเจ็บปวดของธรรมดาจิตกองรถ บางครั้งม่จิตรกจก็ต้อมีความว่างเกิดขึ้นพรกุิลนานน้อยลไปข่อหนึ่งพระการนึกถนิพระการเป็นคนที่มีบุญเป็นรสมในพระศาสนาตามปกติก็เป็นมาเหมือนกันบอกว่าคนทุกคนที่ก่อนจะตาย รารกระพุธพทธเจ้าูพระราเรียสงและมุ่งเลยไปทานติดหมติดมุ่งทานมุ่งสิงเจรความบุญสิงใจตลอเวลาเมื่อป่วยมากลงไปใกลยจะตายคนจะตายเหมือนกันทุกคนก็มีการเห็นคือคนจะตายในบรรดาทางพุทธศาสน์ทุกคนเหมือนกันนะไม่ใช่ ถ้าเป็นคนที่มีบุญเขาสิ n ใจตายและจะไปสู่สุขภิกข์มีสวรรค์ขมุมมรรคหรือฝ่ายก็าตามเวลาไหนก็อยู่เห็นุสิ่งที่เป็นบุญศรอย่างคนที่มีบุญมีกำลังมองให้ไปหน่อยก็ยังเห็นวัตถุธาตุอย่างขันข้าวกวดีวิโตข้าวกวดีโถอาหารก็าตาม ที่เราเคยไปทำบุญมันจะลอยมาเห็นเห็นแล้วก็คิดว่าสิ่งแต่หลายเรองนี้เราใส่อาหารไปถวายพระจิตใจก็เป็นบุญบางคนก็เห็นดิบานบ้างบางคนก็เห็นพระสงฆ์บ้างบางคนก็เห็นบระพุทธรูปบ้างเห็นพระเจ้าบ้างอย่างนี้ใครเห็นอย่างนี้ก็บรรดาเป็นบริษัททุกคนจะไม่ไปไนรกถึงแม้ว่าจะมีบาปอยู่มากก็ตามทีเทียวแหลแต่ถ้าว่าเมื่อบุญ คุณจะต้องนำไปสวดสุขสิทธิก่อนสำหรับท่านทำนิจจะอุบาลตกเป็ลายเราว่าท่านมาได้เห็นบุตธรรมดาท่านเห็นเทวดาได้เห็นนางฟ้าทั้งหกท่นเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดี ก, ดก็แห่กันมากแต่ถ้าทัานน่ะมามากต่างคงก็ต่างนำบถพิษมา แล้วก <ih ak violin inding warfare> ็ไปกล่าวเสียงต่างคนต่างพูดรือว่าฉันอยู่ฉันจาตุมาราฉันอยู่ฉันดาวเรืองที่อยู่ฉันยามาที่อยู่่ันูกษีฉันอยู่ฉันนิมมานีที่อยู่ฉันปริมานาปาริมปาริมันปาริมท่านท่านหลุายตัวความว่าต่างคนต่าประกาศเสียงเสียงแสบไปหมด ว่าขอเชิญท่านอเมริกาอุบาตไปอยู่กับฉันชั้นนั้นๆเสียงเสวดาเสียงนาฟ้าพูดไม่หยุดสรไม่หยุดก็ปรากฏเวลานั้นพระสงฆ์ที่บรรดาลูกหลานปฏิหมดมาจากส น, นักพรธเจ้าก็มาถึงข้อดีแต่เอามันมันว่าพระสงฆ์ก็เริ่มสวดเมื่อขณะที่สงฆ์สงสพระสงฆ์สวดระปริสันสวดหมด ก็ปรากฏว่าท่านทำให้ดาวาสกไม่ได้ยินเสียงพระได้ยินได้เสียงเทวดาแตเสียงนางฟ้าตกเสมอยิ่โบอกมวอโบอกไม้บอกว่าหยุดกอนหยุดก่อนหยุดอนตอนนี้จะเป็นการบังเอิญจริงอยู่การที่พระไปสปรวจวันนั้นไม่มีพระได้ชุดสุญญ์เลยเป็นปกติสงฆ์ธรรมดา แล้วพระท่านหลายเห็นว่าตอนท่านิีการบาสบบอกมือบอกไม้ยก็บอกประกาศว่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยก่อนให้ใจหยุดท่านนี้ก็บอกให้ใจหยุดแต่ความจริงท่านมีการบาสบบอกให้เทวดานางฟ้าหยุดพูดอยากจะฟังบ้างส่วนในเมื่อพระหยุดแล้วเทวดากับนางฟ้าก็ยังไม่หยุดจึงก็บอกมือหยุดบอกหยุดกอนหยุด่อนหยุดก่อนกรรงความว่าพระในเมื่อท่านไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนางฟ้า ก็มีความรู้สึกว่าพระมิจาวาสุกไม่พอใจในการฟังสรดพริกุศคิดว่าในเมื่ออายกไม่มีกัาอายางนี้เราจะจ่ไปทำไมก็ลาลูกลาหลานสัดวัดเมื่อฟ้าตับไปหมดแล้วเทวดากบลังฟ้ายู่อยู่ เทวดัดฟ้าหยุดเสียงพระพิการวาสุก็หันมาตามพระตั้งใจจะฟังพระสวดเป็นอรหันตุระพระไม่มีคือถามลูกหญิงลูกชายหลานสาวว่าเวลาดิศพระไปไหนพ่อต้องการจะฟังสวดลูกก็เลยบอกลูกก็เลยคิดว่าพ่อินคิว่าพ่อก็พ่อไม่ต้องการฟังสวดบกมือบกไม้ฟังเบรหยุดเสือัจะกระหยุดสวด แ้าเห็นว่าพ่อไม่มีความต้องการในท่านในรังสางสดมนพระปราหลาดท่านทำนิการบาศก็บอกว่าลูกเอ๋ยพ่อไม่จเพ้อไม่จคลั่งไม่จะหลงไหลไปเป็นเวการใดเป็นหนวามันดาเปวนวานนาฟ้าทัหลายท่างแต่ถ้าท่านนำที่งแะร้เงินพ่อเป็ทานถ้ี่พ่อโบกมือห้ามและไม่ไี้ห้ามพระ ข้ามเทวดาวส่งเสียงเอตโเรเทวดานนางฟ้าต้องการจะฟังสดมนให้ลูกอะไรเห็นว่าพ่อเปอ ม, มากเกินไปอกนะจะงนี้งานระบายนี้นะเมื่อวันคืนก็มีมาหายแต่ลูกได้ตาคิดชอแม่ไปด้หาวลูกบ้ารงเด็กเป็นรับแต่มาในหลายรายที่จะแตกจะงความว่าลูกก็ไม่หมดสงสัย ท่านทำนีกาวว่าก็บอกว่ามีภูมิลาลัยไมลูกก็บอกว่ามีกจบอกว่าถ้าอย่างนั้นนาไม่พ่อหนึ่งพวงเขา่านาภูมาลัยมันหนึ่งวงแล้วท่านก็ถามว่าเทวดาท่นนหนเ่ท่านจาถูกมราชสองท่าน้สห้าท่นในมารีห้าหกท่านเป็นมิตรว่าวัสดี <registers> ทั้งหกท่านเนี่ยอยู่ท่านไหนดีที่สุดบรรดาลูกหลานทั้งหมดก็ตัดสินใจพร้อมเหมือนกันว่าถ้าอยู่ท่านดูสิกเนี่ยเป็นดีที่สุดท่านอัิทีจาวาสุก็บอกว่าพ่อจะโยนหงลายไ้คล้องงอนลดทั้นดูสิกแล้วท่านก็โยนหงลายไปหงลายก็ไปคล้องงอนลดท่านดูกิกแต่เพรเออลูกหลานไม่เห็นลดเห็นว่าหงลายลอยนอาอ่ะจ ก็มีความแปลกใจท่านเลยบอกว่าพ่ออะไรร้องอยู่ดนะท้องในท้องทันหลุดติดไอ้สักดว์าเดียหนึ่งเท็งอันดาลูกตาหลานตายคำว่าตายดีตามบาลีเขาไม่ได้ตายไอ้ตายคีอพระบรมรันนงพระวากายแต่ตามบาลีที่เขียนว่าตาลังกตวาซึ่งแปลว่าสิ่งทำตาละแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องไป ร, รวมภาวาจิตใจรัฐสมาธิกายขอ ท, ท่านธ้มีการวาสนาออกจากร่างขึ้นรถท่านโดนติดไปเมื่อดบรรดาญาโยมมุตตวริสต์หลายคนก่อจะตายทุกคนเห็นเหมือนกันหมดและว่าถ้าคนมีบาปนำหน้าแต่ฟ้ามีบุญบาปที่ก็มีดกัทนทุกคน ทุกคนที่เกิดมาต้องทำทั้งบุญต้องทำทั้งบาปจะมากเขียน้อยหัวคำในเรื่องห น, นึ่งแต่ว่าถ้ากำลังใจหรือถ้ามีสมาธิมีความไมั่นคงในบุญบาปมันก็เข้าถึงใจไม่ได้ก่อนจะตายตอนนี้ผู้หรืว่าคนก่อนจะตายมีจะต้องกำลังใจพบบาปท่านประเภทนี้ก่อนจะตายจะตายวันสองสองสามวันในเห็นไหมกับทุกคนที่จะพูดได้และไม่ได้ตัวเอง ตายก่อนค น, นก่อนจะตายถ้านอยาจะถามไม่เห็นอะไรไหมถ้าทําตามบาลี่จะบอกว่าถ้าไฟนรกเจะเห็นไฟเห็นดวงไฟดวงเล็ก ด, ดวงใหญ่ก็ตามเป็นไฟกันแน่อย่างนี้ตรงนรกในข่วาวชนักประญายถ้าเห็นป่าก็าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเห็นก้อนเมือก็จะเกิดเป็นคนเอาแค่นี้ก็แล้ว ก, กันนะเจ้าหน้าท ต่อไปก็ทำไม่ได้ถ้าเือเห็นดินงวเขาเดียวเกิดเไป็นไงงาน่ก็ลองฟัว่าได้เห็นไฟก็ไม่เกิดเป็นเป็นปันรกถ้าเห็นปาาไม่เกิดเป็นสัตว์เลีนยฉนถ้าเห็นก้อนเนื้อไปเกิดเป็นคนถ้าถามว่าประเภทนี้เคยมีตัวอย่างไหมถ้าจะมาะก็ขอบอกว่ามาสัมผัสมา พอรู้ตัมรานี้อยู่แล้วก็มีคราวหนปัญยายจายต่ า, านี้อายุถึงแปดสิบปี 8, 16, อยู่ๆท่านก็หมดแรงเสียลงไปเสียลมไปเสียลงไ ป, งไปเวลานั้นหวงพอปานอยู่ใกล้มันหลวง่อปานทราบระบอกใกล้นั้นพวกเราไปกันไปเยี่ยมอยู่กนหนึ่งบนคราบไปด้วยกันทั้งหมดสิบอง์กว่า พอเข้าไปเยี่ยมท่านหลวงพ่อปก็นั่งไปนั่งใกล้พระปานถามไม่โยมเห็นอะไรโยมคุณยายบอกว่าเห็นไฟพระปานน่าเสียเลยเห็นไฟไปนรกแน่นัเลยถามว่าโยมมนจะกันไหมคุณยายเป็นมีต่ทํามีก็เป็นดีแล้วบอกว่ามีอยู่ใต้ที่นอนใต้ใต้หมอนได้แปดสิบบาทเพราะไฟจะล้วงเงินแปดสิบาทมาจากหมอนเพราะที่คุณยายเนี่ย ต้องเาแต่มาเกิดมาไม่เคยไม่ขาดสัตย์ให้รักสาวโบสถ์ตลอดมาถึงวันพระให้วันธรรมดาและะ้วสายถึงห้าครบบั้งไม่ครบบั้งอาจจะมีของธรรมดาแต่ว่าเส้นทัดในวันพระไปทําบุญบางเพศเราสาวโบสถ์มันเสหม่ถ้าเป็นว่าความภาพมันอาจจะมีบ่ปลายก็เอาเงินตัดจุปลายของยายมาใส่มือเขา้า แล้วก็บอกว่าโยมโยมตั้งใจชำระหนี้สงนะถ้าโยมเคยนำทับทุ่มบัติของสองจากวัดที่มีพ ร, ระสมบูรณ์ ก, าากด็ดีวัดร้างที่ไม่มีพระสงฆ์มีพุทโธไม้ไถ่ก็ดีแต่วัดร้างที่ไม่มีไมาา่มีไถ่ก็ตามแล้วเป็นที่นาที่ไร่หรือที่ทะเลสงก็ตามแม้ถ้าต้นหญ้าต้นสียงนั้น อย่างนี้ถือว่านำมาของสงมาเป็นสบายของเราไปการขโมยขอ ง, ของสงมีโทษนะ <c oughs> ขอโยต ง, จจตองตั้งใจชำระหนี้สงตั้งแต่เกิดมาอยู่ตั้งวันนี้ถ้าไปทั้งภาคในเรื่องของของานหนีสงเมื่อไรที่ไหนก็ตามวัดร้างก็ตามวัดมีพระก็ตามสถานที่เป็วั ด, ตวดตแต่ไม่ไม่ปราศรีไว้ก็ตามขอชำระหนี้สงด้วเงินแปดสิบบาท โยมก็พูดคุญญณยายก็พูดตามท่านแล้วรับเขาไปหันมาถามข้าวข้าเห็นชอบเลยไหมเห็นข้าชอบเลยสาตุโลมกัน <c oughs> เวลานั้นจะตามไปถุงบาทนิดน้อยพระทั้งหมดก็ยกวมือสาตุโลกกันนาคยกมือสาตุโลกกันแล้วพราถามว่าโยมเวาลานาาาี้โยมเป็นอะไรท่านบอกว่าเวลานี้ดวงไฟมันหายไปแล้วมีพระก็รูกขึ้นแทน ถ้าเทียวภาวนาออกเสียงว่าพุโทโธพุธโทพธโธพโพอเดี๋ยวหนึ่งวันถามว่าพุทธรูปอยู่ใกล้ไหมสดอยู่ใกล้โตขึ้นไหมท่ากโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นต่างใสพุทธรูปพ้ะบามรมีพุโทโธถ้าตอไปพุทธรูปเปลี่ลายจากทองเหลือมันก็เป็นทองคำานก็บอกตามนั้นท้ายสุอไปว่าพุทธรูปเป็นแก้ว รคแก้สายแล้วแซวตาแบบนี้ท่านก็บอกทำเลยจ้ะพอถึงบางคโรกแก้สายแซวตาแบบนก้บัดนี้ก็บอกว่าเสียงท่านเบาลงไปเสียงผู้ใหญ่เบาลงไปรู้ไปก็ถามว่โยมมนุษย์โลกกดีสิเวลโลกกดีภูมิโลกก็ดีโยมต้องการที่ไหนไหมผู้ใหญ่ก็บอกว่าการเกิดทุกมนุษย์มันก็แก่ทุกวันฉันมีความลำบากจะไม่ต้องการ เป็นเทวดาพระพุทธเวลานี้เห็นเทวดากับพุทธมากมายเป็นสกาวาลแต่ฉันเห็นว่าสวยเท่าทูตพระอริยเจ้าไม่ได้พระราหัตมานับพันองค์จะบอกว่าว่ า, าราหัตสวยกว่าข้าวฟานจะบอกว่าข้าชอบระดับไหนตั้งใจระดับนั้นข้าจะบอกวเวลานี้เห็นชอบใจพระรหัต พอจะบอกชอบใจหลผ่านไปได้สองนาทีแล้วปรากว่าเขาเปิดตาบอกเวลานี่เห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ฉันแทนพัะพุทธลูกพระพุทธลูกอมุจีที่กลายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดได้พระบาลถามว่าเขาพูดยางไงท่านถามว่าเขาผู้ใหญ่บอกว่าพระพุทธลูกรู้พระพุทธเจ้าถามว่าจะไปอยู่อานจะมาไหม คนใหญ่หระปานถามว่าเจ้าโยมบอกไป็นยังไงผมอยากจะไปพระปานมองท่านอย่างนั้นก็ไปได้ท่าเลยสั่งให้พระสวดี โ, โซพระต่อพระสวดีโตได้จบเดียวก็ลืมตาแล้วก็หลับตาหายไปเลยที่ธรบบรดาท่านผู้บริก็เป็ น, นว่าคนเราทุกคนก่อนจะตายต้องเห็นสักเกตการนั่นเป็นเรื่องที่พระปานได้นสงเคราะห์ก็มาสมัยท่านมาสงเคราะห์มีคนหนึ่ง คือกาลังอาจจะเป่ากวา่าคนนี้เป็นเพื่อนกันคําว่าเพื่อนหมายถึงว่าบทพร้อมกันควันเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ลูกคณะกํบรายการก่อนต่อมาเขาฝึกฝึกไปแล้วก็ไปแต่งงานมีปัญญาหลังจากานั้นมาก็ปรากฏว่าต้องไปตะเข้าเกมดยปทำ ง, งาน 15, งรนาิพิญญาหลัสามากนั้นมาเขาปรากฏว่าองไปตะเข้าเมไปทำงานริพ เปมาโรครอางกายก็ไปดีขึ้นวันเหนือจักมาไปเที่กลับมาก็บอกว่าขค ข, า, ข, า, า, ข า, าเนื้อจตชวนเ้าบอกว่าชวนข้าบอกว่าชวนเพื่อนอาชาอาจาร์น่ะเวลานี้ป่วยหนักทำท่าใครจะตายเพรรัฐก็เลยชวนท้างองค์ไปเยี่ยมกันเพราะบ้านอยู่ใกลวัดวระบางโคงข้าขับไปนั่งใกล้ใกล้กรถามว่า่วนจำฉันได้ไหม เคยก็ตอบว่าจาได้แต่ความจริงคนเป็นวันโลกตายได้เปลียนว่าทุกขเวทนาไม่มีมีแต่กา ร, ารให้ใจเบาลงเบาเพิ่มเพิ่มเบาลงถ้าถา ม, า, า, มามว่ารำควรเวลานี้หน้าอไรเคเราเตาถึงกองไฟหรือนักใจดึงกันถ้ถามพัญญาว่าว่าคุณมีตะตังไหมพัญญาบอกตะตังมียี่สิบบาทจะขอด้วยจะขอได้ไหมต้องให้ เพื่อมาใส่มือประจวนตั้งใจตามนี้นะฉันจะว่าไปเพือไม่ใหพูดจนลึกากามฉันว่าถ้าพระเจ้าเคยนําของสงจากวัดที่มีพ่าสมบนก็ดีจา ก, กวัดร้างที่ไม่มีพระสงฆ์ในโล ก, กับประปัก็ดีหรือจา ก, กวันร้างที่ไม่ปราศจากานที่ก็ดีจากที่ประดิษฐ์สงก็ตามแม้แต่ต้นหญ้าตนเดียวก็ถือว่าเป็นสมบัติของ พระเจ้าขอสมบัตนี่สงสัเงินยี่สิบบาทใครขอไม่ตางถ้าต่อนั้นไปอมารถมหาพระบกทาอิศก้ป็นไหมอิศก้อเป็กศาปตุกความสันทักกสาทุกความสันหลังจากนั้นถึงเวลาตึ้งมันฟื้นก็ถามเธอใหม่ว่าเวลานี้ยท่ไหร่เธอก็บอกว่าไปหายไปแล้วเวลานี้ปราศจาอไฟเพราะว่าตัวไฟของตึ้น กาถามมาผูตุลุกที่ไหนก็บอกผุ้รูปุกไม่อกเกิดเจอเรอมขัดขึ้นกันหล้งจกนั้นจะบอกผู้ตรูปกเขาไจแก่ปัญหาใหทีละน้อยร้อยบแบว่าชวร์ถ้งนั้นตั้งใจกับผู้ตรูปนะมิตใจว่าพุทธถ้เวลาแค่สองสามนาทีก็ปรากฏคือราหมดลมหาใจตายไปสวัสดีานี้ ด้วยจากรัิตยารไทยตั้งสี่รายการมีอยุวันนาสุขการพระราชปฏิภาณหาทุกท่านปาจำนาสุนัยไว้ได้สัตว์นทุกความป่าจำนาทุกประการอาจจะมาภาพเราพาลิสกันนามาในบุญจะกระทาเราคอยยุติปัธจามติสันาลงคงไว้เทียบเดินตรนี้ที่วังขุวีจตุรชาลัตมีอัยัง